อ ب บ ش ิชรา صدري ويسر ل ي أمرى و ي أ, أ ح ل العقدة من لسان يفقه قولى الله معلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما أبنا ظلمنا أنفسنا و إ ل م توفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين ب آ من ن ا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا الحمد อ ل ه ล ك ر ล ا الله س ب ح ا ن ที่พระองค์ยังให้โอกาสเราได้มาเรียนคำพีของพระองค์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องที่มีความน่าสนใจในอัลกุรอานในสุรษต่างๆที่เรายังไม่ได้เรียนรวมถึงบางครั้งสุรษเก่าๆที่เราเคยเรียนไปแล้วเนี่ย ข้อมูลความรู้นะครับถ้าสมมุติเราได้กลับไปทบทวนหรือได้กลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็อาจจะมีบางเรื่องที่ตกค้างเรายังไม่ได้พูดคุยหรืออาจจะมีความรู้ใหม่ๆก็ย่อมได้นะครับเพราะว่าคำเพียอเลาะคำเพียอเลาุรอานเป็นคํำเพียที่มีความมหาศจา์เป็นคําเพียแห่งความรู้นะครับมันอยู่มา ตั้งแต่สมัยของท่านนบีสโลลลอฮฺซซัลลัมจนถึงสมัยของพวกเราเป็นพันกว่าปีแต่ก็ยังคงความเป็นอมตะมีหลายเรื่องที่บางครั้งเราไม่ทันคิดหรือไม่ทันสำนึกแต่พอเราได้อ่านอายัดบางอายัดอย่างวันนี้ผมเจออายัดหนึ่งอัลลอฮฺวเป็นความบังเอิญ น, นะครับ <c oughs> คือเปิดไปแล้วมันก็เจออายัดเจ้าลอตัลตาตราดว่า و ف ف ินน์สสั่งต่แล้วทจะฟังเลงที่ดีีุ่รนมาในชีวิต น, นั้ก็ลงขอลปิน่มีช่เงทีนนันก็คอเพลงของศิลนที่มีช่อเสยในโกนันก็คือเพลงลนที่อเสียสดในโลกั่คอเงของใิลปมีอเัยซึ่งกันแลกันคนอเรลอนอยู่ในสลกั่นคืเอปนอสัยงค ม, ม่นุษในโนั่นกเป็นี่สัตว์สังค ม, ม ในทางในทางรัฐศาสตร์ในทางนั้นเขบอก ว, ว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องอยู่กับคนอื่นต้องอยู่กับเราอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็ต้องมีครอบครัวหรือมีเพื่อนฝูงมีพักพวกหรือทำงานหรือถ้ า, ถ, าถ้าทํางานในบริษัทก็มีคนเพื่อนร่วมงานมีเจ้านายมีลูกน้องต้องอยู่กับคนอื่นการที่เราต้องปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบางทีมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง มันหนีไม่พ้นเราอาจจะผิดกับเขาหรือเขาอาจจะผิดกับเราหรืออาจจะผิดทั้งสองฝ่ายเป็นความเข้าใจผิดมีทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเมื่อมีความผิดแล้วเมื่อเกิดเรื่องที่ไม่เข้าใจกันแล้วเนี่ยก็ต้องมีการอาภัยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอายัดนี้จริงๆแล้วพูดถึงพวกมุชลิม น, นะเป็นคาสั่งที่ท่านที่อัลลอสุภาวตัาลาสั่งให้ท่านนาบีเนี่ยให้อาภัยกับพวกมุสลินอัจี สุฮานัลอแม้กระทั่งคนที่เป็นมุชลิมเนี่ยอัลลอะฺแต่ละยังสั่งให้ท่านนบีปล่อยปล่อยไปให้อภัยแล้วคำว่าอัลซอเนี่ยมันเป็นคำในภาษาอาหรับนะในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าการให้อภัยเนี่ยมันมีหลายคำอัฟิร์อกฟารก็เป็นการให้อภัยแบบหนึ่งอัฟุวนอัลลอฮฺไม่อานะะอัฟุวนหบุอัลฟุฟะอัฟอันนีอัุวนก็เป็นการอภัยประเภทหนึ่ง อัศวก็เป็นการอภัยเวลาที่เราแปลแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยว่าอภัยแต่มันมีมิติที่ไม่เหมือนกับว่าูดหรืออฟูวนเพราะอะไรเขาบอกว่าอัศวเนี่ยหมายถึงเวลาอภัยแล้วให้ลืมความผิดของคู่กรณีแบบอย่ามาอย่ามาใส่ใจอะ่ะเข้าใจไหมบางคนให้อภัยแต่ว่าในใจยังเป็นยังไง ยังคงทั้งคาอยู่อันนี้ไม่ใช่อัศว์อ่าโอเคอภัยก็ได้แต่ก็ยังมีบนมั่งพูดมั่งอะไรมั่งยังยังใส่ใจอยู่ยังยังสนใจอ่าอันนี้ไม่ใช่อัศอัศก็คืออภัยก็อภัยไม่สนใจละความผิดที่เคยทำนี่ก็คือไม่เยแสไม่ดูอะไรไม่มีการด่ารับหลังไม่มีการบ่นไม่มีการไม่มีละไม่มีตำหนิไม่อะไรนี่คือ อัศว์ฟูอัลเจมิลฟัศฟะอัศว์ฟูอัลเจมิอวันกิยามัตมาแน่นอนเพราะฉะนั้นอภัยกันเถิดอายัดนี้ใช้กับพวกมุชลิกินก็จริงแต่เราเอามาใช้ในบริบทของโมเมนก็ได้ไงในเมื่อวันกิยามัตมันจะมาถึงถ้าเราไม่อภัยเนี่ยก็คือพอถึงวันกิยามัตเนี่ยเราก็จะต้องไปเคลียร์แล้วเคลียร์วันกิยามัตเนี่ยมั น, ม, น uned, มันเหนื่อยนะเคลียร์วันกิยามัตเนี่ต้องเข้าคิวอะ ต้องต้องเคลียะต้องเคลียะทีละคนทีละคนตอนนั้นอัลลอฮ์สุภาพเราทาละแล้วการไตส่สวนของอัลลอฮ์นะมันละเอียดขนาดไหนอัลลอฮ์อักบารอัลลอฮ์อักบารเพราะฉะนั้นก่อนที่วันกียร์มันจะมาอภัยกันก่อนอภัยกันก่อน Allah, อัลลนะอฮ์อักบารเนี่ยคือขยัตแบบนี้ถามว่ามันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ในอัลกุรอานนั่นแหละแต่ทำไมเราไม่เจอหรือ ไม่นึกถึงมันก็เลยเกิดปัญหาหลายๆเรื่องระหว่างพวกเราดังนั้นอัลอกรุรอานจีเป็นเรื่องมหาศารย์เรายังคงมีความจําเป็นที่จะต้องเอาชีวิตของเรามาผูกกับอัลกุรอานนะครับในทุกๆเรื่องเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีเนี่ยอัลกุรอานทางที่จะแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นไอ้คาว่าไม่น่าจะมีเนี่ยเพราะเราไม่รู้หรือเพราะเราไม่อ่านต่างหาก อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาของเราเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดอ่อนของหัวใจนะคุณไม่ต้องไปหาที่อื่นเลยคุณจะไปหาที่อื่นก็ได้แต่กําลังจะบอกว่าคุณพลาดที่คุณไม่ยอมกลับเข้ามาหาอัลกุรอานเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องของหัวใจอัลกุรอานเนี่ยมาแก้ปัญหาเรื่องของหัวใจของมนุษย์ได้ดีที่สุดละว่าชีฟ้าลิมาฟิศดูร วชิฟะออลิมาฟิซุดูเยวยาสิ่งที่อยู่ในหัว อ, อกก็คือว่าใจของเราว่าใจของเราเวลาที่เราโกรธใครเวลาที่เราเกลียดใครเวลาที่เราอิดช้าใครเวลาที่เราไม่ชอบใครเวลาที่เรามีปัญหากับใครเวลาที่เราข้องใจกับใครนี่คือโรคของหัวใจทั้งสิ้นเลยเ อ, อัลกุรอานพร้อมที่จะให้เราเนี่ยเอาเนื้อหาต่างๆมาใช้เยียวยามาใช้ขัดเกลาดังนั้นยังคงเรียกร้องอยู่นะครับว่าเราไม่มีวันที่จะ หาจะอ่านอัลกุรอานได้อย่างเรื่องที่เราจะอ่านในวันนี้เนี่ยบรรดาหัวใจของซอฮับเป็นอย่างไรตอนที่พวกเขาจะเข้ามากักกะแล้วสุดท้ายท่านนัลบีบอกว่าปีนี้ไม่ได้เข้ามาดูกันนะครับว่ า, าละตละให้อะไรกับหัวใจของบรรดามุสลินสุดท้ายพวกเขาเป็นอย่างไรนะครับเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายะที่ อายัด ท, ที่สี่อ่าสี 4, 5, 6, ่ห้าหกเจ็ดอาจะทันเนาะอะอ่าหน้าเท่าไหร่นะอ่ะลองนับเร็สองหกศูนย์สองอ่าจัดสกีอมกุระอานนะ่าสองหกศูนย์สองอ่มีก็ยาวละกี่อายัดเนี่ยดู أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم <ت ص في ق> و ل ل ه جنود السماءات والأرض وكان الله علي م ا حكيم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنّا จัน ا ต์ ت َ جري من تحتها الأنهار الخالدين فيها و َيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ عن سَيِّئَاتِهِمْ <ت ص في ق> وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا วَ ي ู عذب المنافقين والمنافقات والمشركين و ا ل م ش ر ك ا ت ب นบิลลาฮิ ظن السوء <ت ص في ق> عليهم دائرة السوء วَ غ َ ض บัล ل ل ه عليهم ع ل ل َ ه عليهم ل ه ِ ع ه م و ่ ع ل ع ل ن ه م ه ُ م و ่า ع ل د َ ع ل َ ه م ل م ْ ج َ ع ه م ن ่า ل م ว ي م ว่า ي م ว ي و َ ل ل ه ج ن و, و د السموات والأرض وكان الله عزيزا حكما آه الحمد لله ตอนแรกจากสุรตุลฟาตที่เราอ่านไปแล้วสามอายัตเนี่ยเป็นการพูดถึงของขวัญอันฟาตก็คือการได้รับชัยชนะอันดับแรกเลยเนี่ยมันเป็นของขวัญจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะลให้กับท่านนาบีสลลัลลอฮวะฮิวะสัลลัมเราอธิบายไปแล้วนะครับว่าสุรนี้ถูกประทานลงมาหลังจากการที่ท่านนาบีเดินทางพร้อมกับบรรดาซัฮบะ ในปีที่หกอิจรอะนะครับจะไปทำอะไรครับไปทำออมระที่มักกะแล้วพวกมุสริกีนที่มักกะเนี่ยไม่ยอมให้เข้าสุดท้ายท่านน บ, บีก็ส่งตัวแทนไปจราจาก็คือท่านออุสมานอิบนุอัฟฟานเข้าไปในมักกะเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ข่าวลือออกมาว่าอัลอุสมานถูกฆ่าตายก็เลยได้ทำ ครกว่าอัลบายะบอะตุริดวนันการมุบายะการสัตยาบันใต้ต้นไม้ที่ฮูดายเบียก็เลยได้ชื่อว่าซุลฮุดฮูดายเบียาการสัญญาฮูดายเบียะระหว่างมุชลิกีนอัลบายะก่อนสัตยาบันก่อนว่าจะเข้าไปช่วยอุษมานจะยอมตายเพื่อที่จะสู้รบแม้ว่าอุปกรณ์ต่างๆอาวุธต่างๆจะไม่ครบก็จะเข้าไปสู้กับมุชลิกีน สุดท้ายอุสมานก็ออกมานะครับไม่ได้โดนฆ่าตายแต่อย่างใดแล้วฝั่งมุชริกีนก็ส่งตัวแทนมาเจราจาออกมาเป็นสัญญาหลักๆก็คือมีการพักรบสิบปีแล้วก็มีการทําสัญญาว่าฝั่งมุชริกีนหรือฝั่งผู้ศรัทธาถ้ามีเผ่าใดอาหรับเผ่าใดที่จะเข้าไปเข้ากับฝั่งไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะเข้าได้เลย ระหว่างมักกะกับมารีนาถ้าคนมักกะไปมารีนามารีนาต้องส่งกลับแต่ถ้าคนมาดีนาไปมักกะมักกะต้องส่งกลับไหมไม่ต้องนะครับเป็นสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบมากนะครับบรรดาสาวบก็เลยไม่ยอมแต่สุดท้ายท่านนบีก็ได้ใช้วิธีอารมุ่ลรวยนุ่มนวนในการที่จะตหันล้นออกจากไอ้รองนะครับไปเชื้อแพะแล้วก็ให้คนอื่นมาโกนผมสาวบกทั้งหมดก็ทําตาม ระหว่างทางที่เดินทางกลับอลัลลอแต่ละก็เลยประทานสุ ร, รักนี้ลงมาเป็นของขวัญเป็นข่าวดีให้กับใครให้กับท่านนบีก่อนเป็นคนแรกเลยอินนาฟะตะนานละกะให้กับท่านนบีก่อนเพราะฉะนั้นสุรฐฐักอัลเฟตเนี่ยเป็นของขวัญให้กับท่านนบีอัลลอฮฺอะเลยวะซัลลัมจบไปและเราอธิบายไปและหนึ่งถึงสามวันนี้เนี่ย เป็นการอธิบายว่านอกจากมันจะเป็นของขวัญให้กับท่านนบีแล้วในฝั่งของมุกมินจะได้รับอะไรฝั่งของมุกมินเองสุรานี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับชาวมุกมินด้วยมันไม่ได้เป็นของขวัญให้กับท่านนบีสุรานี่สั่งเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นฟังเอาไว้นะครับมุกมินที่รู้สึกน้อยใจที่รู้สึกเสียใจไม่ต้องยังไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นเพราะละสารากําลังจะบอกว่าอ่าสุรานี้เป็นยังไง والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم ما شاء الله เริ่มกล่าวถึงบรรดาม ین เนี่ยเริ่มด้วยหัวใจก่อนเห็นไหมที่เราคุยกันตอนต้นเมื่อแค่หัวใจเนี่ยอัลลอฮฺทรงประทาล่บอกว่าพระองค์ทรงประชาน อสักกีนะ่ะลงมาในหัวใจของบรรดาผูา้ศรัทธาหมายถึงบรรดาสาวพระทั้งหมดที่เข้าร่วมสุนทรภู่ได้ไหมครบอะไรคืออสักกีนะ่ะอสักกีน่ะก็คือความรู้สึกนิ่งหัวใจเนี่ยต้องมีความนิ่งหรือมีสติ ไม่ลพลีผามไม่กระวนกระวายนี่แหละคือคนที่ที่สุดลองลองพิจารณาดูระหว่างคนหนึ่งที่ทำอะไรแล้วไม่ยั้งคิดอะคิดจะทำอะไรเนี่ยทำเลยไ ม, ไม่คิดไม่ไตรตรองไม่อะไรกับอีกคนหนึ่งเวลาจะทำอะไรโดยเฉพาะเรื่องที่มันเสี่ยงเรื่องที่มันอันตรายก่อนที่จะทำคิดใช้สติใช้ความนิ่งเข้าสยบเวลาที่ศัตรู กําลังจะแรงกับเราเนี่ยถ้าเราแรงกลับไปมันจะเป็นยังไงถ้าคู่กรณีของเราแรงมาแล้วเราแรงไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นยิ่งเขาแรงเราต้องยิ่งนิ่งเพื่อสยบําแรงซึ่งไอ้การนิ่งเนี่ยมันยากเพราะโดยปกติของอารมณ์มนุษย์แล้เนี่ยเวลาที่โดนยุดโดนแย่นิดหน่อยมันจะมันจะขึ้นทันทีอะโดยธรรมชาติแล้วเพราะฉะนั้นการปรับให้ไหวใจนิ่งเนี่ยอัลลอฮฺ ไม่ใช่ง่ายอย่างเนี้ยบรรดาสัฮาบะเองเป็นยังไงปฏิกิริยาของสัฮาบะเป็นยังไงตอนนั้นอะไม่ยอมจะเอาอย่างเดียวยังไงก็จะสู้อย่างเดียวจนสุดท้ายอาลัลลอฮฺสั่งตลา ต, ต้องปรับหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาให้มีความนิ่งนี่คือนิมัตที่ใหญ่หลวงมากนะครับอลัลลอฮฺสั่งตลาไม่ทําให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยทำอะไรผีผาลมไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรที่มัน ไม่คาดคิดก็ได้แต่พระองค์ประทาน ส, สกินะลงมาคนที่อันลับสกีนะที่ในหัวใจของพวกเขาตอนแรกความสงบลงมาในหัวใจตอนที่จะทำการศัตยบาบัลด้วยไม่ให้กลัวเห็นไหมแม้กระทั่งการเผชิญหน้ากับคนที่เป็นศัตรูถ้าใจไม่นัก ถ้าสมมติบรรดาอหายเนี่ยไม่มีความสงบไม่มีสกีนในใจมีหรือที่พวกเขาจะใบอะหรือมุบยองกับท่านนาบีและยอมพลีทุกอย่างเพื่อที่จะเข้าไปช่วยอุสมานออกมาอันนี้คืออันที่หนึ่งสกีนนะนะครับและสะกีนนะหลังจากนั้นด้วยหลังจากที่ยอมรับคำสั่งของท่านนาบีเสร็จแล้วกลับไปเมืองมาดินะเก็บอาการได้เก็บความรู้สึก อันที่หนึ่งปรับความรู้สึกยอมที่จะปลีทุกอย่างเพื่อช่วยอุสมานยอมทาศัตยบัทติกับท่านนาบีต้องใช้ส ก, กินะมากแค่ไหนอันที่สองส ก, กินะตอนที่ยอมรับคำสั่งของท่านนาบีให้เดินทางกลับมาดีนะนิ่งสติไม่เก็บความรู้สึกเอาไว้นะไม่ไม่ปะทุกออกมาจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตนี่คือความสำคัญของคำว่า a ส s a ก i n นะเราจะทำยังไง นะต้องขอจาก Allah สำหรับทานอาวตาร์ละอัสกีนะเนี่ยมีประโยชน์เกือบทุกเรื่องเลยอลองคิดดูในครอบครัวถ้าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวอะไรนิดอะไรหน่อยปึ้งปั้งปึ้งปังมันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายนี้ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นพูดถึงประสบการณ์ของแต่ละคนก็แล้วกันเวลาที่เรามีอะไรขัดหูขัดตาถ้าปึ้งปังปึ้งปังไม่มีสกีนะเนี่ยครอบครัวก็พังที่ทํางานก็พัง การทํางานในองคอ์กรก็พังหมดถ้าสมมุติว่าไม่มีความนิ่งในการที่จะคิดแล้วไม่ต้องนับเลยถ้าเรื่องเสี่ยงๆเรื่องที่ต้องไปปะทะกับคนอื่นที่จะต้องไ ป, ไปเผชิญหน้ากับคนอื่นยิ่งต้องการความนิ่งเหล่านี้มินัลสุคูลอัลสตีเนมินัลสุคูลวัลมูราดบิฮะอัลสบาตุวัลตุมะนีเนอัลลัติอาดะฮ์ลล็อฟีกุลูบุลนมะุเอมินินะ فترتب على ذلك أن أطاع الله ورسوله بعد أن ظن في شروط صلح الحديبية ظلما لهم وأن بايع وا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت بعد أن بلغهم أن عثمان قد قتله المشركون เห็นไห <ت> ม <ص> ค <في> ว <ق> ามนิ่งที่ Allah ใส่เข้าไปในหัวใจของบรรดามุ่งมินทําให้พวกเขายอมต่ออัตต่อคำสั่งของท่านนบียอมเดินทางกลับและยอมที่จะมุบายะกับท่านนบี ในการที่จะไปช่วยอุสมานแม้ว่าจะต้องเสี่ยตายก็ตามทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นผลมาจากการที่อัลลอฮฺใส่อะไรเข้าไปครับอัสกีน่ความนิ่งลงไปในหัวใจของพวกเขาอัลลอฮฺใช้คําว่าอันเจลเพื่อที่จะบอกว่ามันมีความสูงส่งไอความนิ่งตรงนี้นี่มันมาจากใครมันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่จะหาเรี่องอะไรตามติดดินไม่ใช่นะมันมาจากใครมาจากเบื้องบน่ะ อสกีนะ้น่ะนีมาจากเบื้องบนมาจากอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى อันนี้คือของขวัญชิ้นพิเศษเลยเริ่มต้นเป็นของขวัญให้บรรดาโมเมนต์ก็คืออัลลอฮฺลให้ความนิ่งเข้าไปในหัวใ จ, จของพวกเขาก่อนแล้วเรื่องดีๆอย่างอื่นมันก็ตามมาหลังจากนั้นเลียสเดดูอิมานั่นมาอิมาเนห์อ่านี่คือผลที่เกิดมาจากการที่พวกเขามีอัสกีนะ้น่ะจาอัลลอฮฺ إ ي م ا ของพวกเขาเพิ่มขึ้นความเชื่อมั่นของพวกเขาเพิ่มขึ้นจากตอนแรกที่มีความรู้สึกว่าเสียเปรียบจากตอนแรกที่มีความรู้สึกว่าอะไรเนี่ยเราไม่มีเกียรติเลยเราไม่มีไม่มออีอะไรนะต้องยอมแพ้พวกมัชธิกจีนะ่ะตอนแรกรู้สึกอย่างนั้นแต่พอความนิ่งมาปัญญามันเกิดฮิกบาห์มันก็ เห็นทีละข้อทีละข้อทีละข้ออ ي มานก็เพิ่มขึ้นยัก Pause ินก็เพิ่มขึ้นนี่แหละครับสิ่งที่เราจําเป็นต้องการแล้วผมมีความรู้สึกว่าอายัดนี้เนี่ยมันกําลังสนับสนุนการที่เรามานั่งเรียนอัลกุรอานอย่าลืมนะครับว่าการนั่งเรียนอัลกุรอานในสุเราแบบที่เราเรียนกันเนี่ยในฮะดิษบอกว่าอันดับแรกเลยอัลลอฮฺจะให้อะไรให้สากีนนะลงมาถ้าถามว่าจะทํำยังไงเพื่อให้เราหัวใจของเรานี่ได้รับสากีนนะ จะอัลลอฮ์สุบตานะอัตาละขอตอบเป็นคำตอบแรกเลยก็คือนั่งเรียนอัลกุรอานร่วมกันอัดีของท่านนาบีมาชัดเจนมากว่ามัจตามาอักออุนฟีไวตินมินบุยูติลละใครที่มีปัญหาเรื่องความหัวใจไม่นิ่งเนี่ยเราขอเชิญชวนให้มาทำอะไรให้มาเรียนอัลกุรอานคนที่สามารถนั่งเรียนอัลกุรอานแล้วก็นั่งฟังคนอื่นอ่านให้ฟังแล้ว อะไรนะเลแลกเปลี่ยนกันเนี่ยอินชาอัลลอฮฺหัวใจของเขาจะนิ่งได้รับสกินน่าจะร่ำสุนทานเอาแต่ละฝึกฝึกด้วยวิธีนี้ก่อนนะฮะมาชาอัลลอฮฺเลียสเดาดูอีมานะมาอิมานีฮิมเพื่อให้ความศรัทธาของพวกเขานั้นเพิ่มขึ้นบรรดาอุลามะเอาอายัดนี้มาเป็นหลักฐานว่าอีมานของเราเนี่ยมันมีระดับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเอาอายัดนี้มาเป็นหลักฐานได้ อันอีมันอย่าซีดวยย่างปุ๊วันไหนที่อิมานของเราน้อยๆอสังเกตดูเลยพฤติกรรมของเราจะเป็นยังไงความคิดความอ่านของเราจะเป็นยังไงอเวลาที่เรารู้สึกอย่างนั้นปุ๊บต้องรู้แหละว่าหัวใจของเรากำลังมีปัญหาเวลาใดที่หัวใจของเราเริ่มเริ่มจะไม่นิ่งแสดงว่าอิมานมันเริ่มลดอ่ะต้องพยายามหาช่องทางที่จะเพิ่มอีมานเข้าไปเพื่อที่จะให้ทาให้มันให้มันนิ่งนะครับนี่คือสูตรของมันตามที่เอเล็กซ์วาลตาลา ได้บอกเอาไว้ในคำพของพระองค์อัลฮัมดุล <fal together> ิลลา์่ซ ا ลอีก ل ل ه บอกว่าพระองค์นั้นมีไพ่พนจุนูดก็คือกองทัพ นักตเสียบางคนอธิบายว่าที่อัลลอฮ เ, เ, เอาเอาท่อนนี้มาใส่เข้าไปในอายัดนี้เนี่ยเหมือนกับจะเป็นการให้กำลังใจบรรดาผู้ศรัทธาว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายบรรดาคนที่ร่วมสัตยาบาันกับท่านนาบีทั้งหลายพวกท่านคือไพรพลของเราอัลลอมีไพรพลทั้งบนท้องฟ้าและแผ่นดินไพรพลบนท้องฟ้าคือใครบรรดา马าอิก ใครผลในแผ่นดินคือใครก็พวกเจ้านี่แหละวลลลอฮิจุนูรุสสัมวาทิวาละเพราะฉะนั้นอย่ารู้สึกตําต้อยในเมื่อนี้เป็นคําสั่งของใครของผู้นําของพวกเจ้าอัลุลลัลละซัลลัลละซัลลัมเป็นคนออกคําสั่งว่ให้พวกเจ้าเดินทางกลับและพวกเจ้าเนี่ยเป็นกองทัพของท่านนบีซึ่งมีใครอยู่เบื้องหลังมีอัลลอฮฺสุบะฮานตะลาเป็นเบื้ออยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นจงรู้สึกว่า พวกเจ้าคือจุนูดคือกองทัพหรือคือไพรพลของลัทธิสุภภาพตะอลาไม่มีวันเจ้าลัทธสุภภาพตะอลาจะทำให้พวกเจ้าตกต่ำหรือเสียมเสือเสียมเสียมเสียเกียรติยศอย่างแน่นอนเจ้าฟังคำสั่งของลัทธิอัลลาหก็พอละิลลาฮินูดุสมาวะทิวลับว่าแกนอัลลอฮฺอัลัมันฮะคีมะจบอายัดก็สวยมากอัลลอฮฺทรงรู้ดี ทำไมที่อัาลลอฮฺสุลต่านสั่งให้ท่านนาบีทำสัญญากับพว ก, พวกมุสริกีนทำไมอั Allah ววาลลอฮฺสุลต่านสั่งให้ท่านนาบีบอกบรรดาวสอาบะให้เดินทางกลับไปม adinah ก่อนอัลลอฮฺต่านทรงรู้ดีเพราะฉะนั้นพวกเจ้าไม่ต้องห่วงปฏิบัติตามอย่างเดียวฮะคีมันทรงมีปริชาญาณทรงรู้ถึงเหตุผลฮิกมัชต่างๆแน่นอนว่าตอนแรกอะสอาบะอาจจะไม่รู้แต่หลังจากนั้น หลังจากที่กลับไปมาดีนะหลังจากที่ไปเปิดคอยบัสหลังจากที่ท่านนบีส่งสารไปยังเมืองต่างๆหลังจากที่เผาต่างๆรอบเมืองมาดีนะมาเข้ากับท่านนบีสุลต่านละหมดเนี่ยบรรดาสาวบะก็ได้เห็นเป็นประจักษ์ว่านี่คือฮิคมาต์ที่อยู่เบื้องหลังการที่เรายอมทําสัญญากับพวกพวะชุริกินและใช้สติใช้ความนิ่งในวันนั้นในการที่จะยอมรับคําสั่งของ Allah سبحانه และ เลยุดขีลาลูกมีนีนวลมุมีนาทีจันนาอ่ายังไม่จบของขวัญ น, นี่ยังไม่จบในโลกดุนยาเพราะอัลลอฮฺบาวตาลาจะให้หัวใจของมุมนตสงบนิ่งไม่กระวนกระวายในวันอาคราเหรอเลยุดขีลาลูกมีนีนวลมุมีนาทีจันนาเพื่อที่พระองค์จะเอาบรรดาผู้ศรัทธาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิง ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ Allah อัลลอฮ์วะอัลบอฮ์เห็นไหมเราจะได้เข้าสวรรค์ของลอสว์วาลต์ตาลาเนี่ยต้องเป็นคนของลอส์ตาลาก่อนมันมีความสัมพันธ์กันระหว่างอายัดนี้กับอายัดก่อนหน้าใครคือคนของเราอยูนู่นดุษมาวะจิวะอัลเราอยากจะได้เป็น ชาวสวรรค์เนี่ยสวรรค์นี่เป็นของล่องสุพรรณหอตาละล่ะก่อนที่เราจะเป็นชาวสวรรค์ของล่องสุพรรณหอตาละล่เราต้องเป็นคนของพระองค์ก่อนเราเป็นคนของ Allah ล่องตะล่ะรืยัคนของล่องที่ว่านี้อาจจะหมายถึงอ า, อาจจะมีหลายระดับแต่ถ้าสมมุติได้มีตําแหน่งเป็นยูนูดอันนี้แน่นอนเลยว่าไม่ไปไหนละไปสวรรค์แน่นอน ถ้าเราได้เป็นไพรพลของ Allah s u b า, เ, า, า, าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประชาชนธรมธรมดาธรรมดาเราเป็นใครเราเป็นคนที่รับคำสั่งของ a l l ลาสั่งให้เราทำอะไรเราทเราเป็นคนที่คอยช่วยเหลือศาสนาของพระองค์อันนี้ยกระดับจากเป็นมุกบินธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นยูนูดของ a l l เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธา ที่ยอมอุทิศตัวเองเป็นคนของร้องสวาทตะลามันจะไม่ไปไหนแล้วแต่สุดท้ายเราก็จะต้องได้รับการตอบแทนจากร้องสวาทตะลาอย่างนี้แน่นอนยุดขิลโมบมินีนวลโมบมีเนติจันน่าเจรีมินต้ที่เหอลอห่าอัลลอฮฺมะจัลลัลมิมันอัลขลต์นาฟิลจันนทิกะ อันที่เจริ่ ا จากข้างใตทของโลด้วยพระคุณของพระองค์ท่านทั้งหลายที่อยู่ในนั้นท่านทั้งหลายที่อยู่ในนั้นท่านทั้งหลายที่ยิ่ในนั้น ความสำเร็จในโลกดุน ي านี้บางทีที่เราเฝ้ารอเราก็เป็นคนนะมุมุมินก็เป็นคนนะ่ะสมมุติเรามีเรื่องกับใครเราก็อยากจะชนะเขาเวลาที่เราเวลาที่มุมินทําสงครามกับกาฟเฟสก็อยากจะชนะกาเฟสใช่ไหมสฮะบะห์ทำทำสงครามกับพวกมุชลีกีนถามว่าไม่อยากชนะหรอืออยากจะชนะแหละแต่ที่ สุดฮลโหลดัยเบีเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองตัวเองแพ้ในในในโลกนี้รู้สึกว่าตัวเองแพ้อ ล, อลาตะลาก็เลยเหมือนกับจะปลอบใจว่าอย่าไปมองตรงนั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเหมือนแพ้แต่ในในวันอาคิรอ์เนี่ยพวกเจ้าจะได้เข้าสวรรค์อลาตะลาจะอภัยโทษให้กับเจ้าอันนี้แหละคือใจชนะที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าในโุนดูเหมือนจะ ต้องรู้ว่าจริงๆแล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คืออะไรนี่ยังคงอยู่ในโหมดของการปลอดใจบรรดาซาร์บ้าอยู่อย่าให้อย่าให้ไปยึดติดกับไอความรู้สึกตอนที่ท่านนาบับดบอกให้ถอยกลับมาดีนะยังยังมีความรู้สึกว่าเราจะแพแ้อะไรก็้งไม่เป็นไรรู้สึกว่าแพ้แต่จริงๆแล้วพวกเจ้าได้รับชัยชนะมาแล้วถ้าสมมติว่าจริงๆในดุนยาก็ชนะแล้วนะ แต่ถ้าสมมติว่าแพย้ยังรู้สึกว่ามันแพ้อยู่เนี่ยอาคิรักทุกเจ้าชนะแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าได้รู้สึกแบบนั้นเลยไม่มีประโยชน์ที่เราจะรู้สึกว่าเราแพ้เข้าใจไหมครับนี่แหละที่ผมบอกว่ายังอื่นจะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หัวใจจะต้องไม่แพ้ก่อนทุกวันนี้เราแพ้ เ้าเรื่องนั้นเราแพ้เขาด้านนี้เราอ่อนกว่าเขาตรงนั้นเราอ่อนกว่าเขาตรงนี้เราสู้เขาเรื่องนั้นไม่ได้เราสู้เขาเรื่องนี้ไม่ได้หัวใจอย่าแพ้หัวใจไม่แพ้หัวใจของเราไม่แพ้เพราะเรามีอครออันนี้สำคัญนะ supreme supreme <Grid> จะทำยังไงเราแพ้เขาเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์เราแพ้เขาเรื่องเทคโนโลยีเราแพ้เขาเรื่องอุย้ยแพ้ทุกอย่าง ถ้าจะเทียบกันในเรื่องในเรื่องปัจจัยทางโลกเนี่ยไม่มีอะไรที่เราชนะเขาเนี่ยไม่เป็นไรแต่หัวใจเหี่ยวแพ้ทํำยังไงหัวใจแพ้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราแต่เราบอกเองว่าแกนเวลิกาเฝ้าันทรีมาใชชนะที่ยิ่งใหญ่ก็คือการที่เราได้เข้าสวรรค์ของพระองค์อย่างไรก็ตามนะครับไม่ใช่แค่มุสลิมเท่านั้นไม่ใช่แค่ฟัง ที่อัลลอฮฺทรงตะละจะเอามุขมินเข้าสวรรค์เท่านั้นในทางกลับกันการที่มีสุลฮุดัยเบียการที่อัลลอฮฺตะละสั่งให้บรรดามุขมินบรรดาสัฮาบเนี่ยช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺสุบานตะละแล้วก็ไปทําศึกกับบรรดาพวกมุชริกีนสงครามต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างมุชริกีนกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยแน่นอนว่าในโลกดุนีย์นี้ และในโลกอัคครอห์บรรดาคนที ang, li, ni, mit, ่เป็นศัตรูกับอัลลอฮ์สุบฮานาอพวกเขาจะได้ลิ้มลองหรือได้ลิ้มรสการลงโทษจากพระองค์อย่างหลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วเพราะว่าอัลลอฮ์ุบฮานาอัลลอฮ์บอกว่าไงยาไงวยาดับผูมานาฟิกีนแลมานาฟิกาดผู้มุชรีกีนแลมุชรีกัตผู้แอบแฝงในเรื่องอัลลออ و و ع ุ ي ه م د ا ئ ر ة ل ถ้าสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาพวกเขาจะได้เข้าสวรรค์แล้วคู่ปรับของผู้ศรัทธาละ่ะจะเป็นยังไงเพราะอัลลอตาลาบอกว่าเพื่อที่อัลลตาลาจะได้ลงโทษพวกมุนาฟิกีและพวกมุนาฟิกอดมุนาฟิกีก็คือผู้ชาติมุนาฟิกอดก็คือ มุนาฟิ ก, มกีมุชริกีนที่เป็นผู้ชา ر ك ي ن ل ب ي ริก ا ع ل ก مشركاء ذكر م ี ر ك ي ن لبين حوين สองพวกนี้เป็นพวกเดียวกันพระองค์ก็เลยมัดรวมกันตรงนี้มุนาฟิกีนกับพวกมุชริกีนนี่คือพวกเดียวกันจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานะวาตาลาในวันอัคยร์ทำไมที่ต้องเอามุนาฟิกีนมาระบุตรงนี้ด้วย น่าสนใจมากมนักวิชาการนักกับซีรบอกว่าวันที่ท่านนาบีสุลตะลานลำนำซาฮบะจะไปที่มักกะในปีที่หกพิจรารณเนี่แล้วเกิดการใบอะใต้ต้นไม้เนี่ยเหตุการณ์ในครั้งนั้นมุชมุนาฟิกีนไม่มีสักคนเดียว ตอนที่ท่านนาบีประกาศว่าจะไปทำอุเบกเนี่ยพวกมูนาฟิกีนไม่มีใครออกมาพร้อมกับท่านนาบีเลยสักคนเดียวสุดฮา ล, ละละทำไมไม่ออกมาด้วยเพราะพวกมูนาฟิกีนพวกนี้กลัวกลัวว่าจะต้องไปปะทะกับพวกมุชริกีนที่มักกะเนื่องจากว่าลับๆับ มูนชีรีกินให้ความช่วยเหลือพวกมุชริกีนอยู่เป็นพันธมิตรกันอยู่ตัวเองอยู่มาดีนะแต่ว่าเป็นพันธมิตรกับพวกมุชริกินที่มักะกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตัวเองออกมาพร้อมกับท่านนาบีด้วยเนี่ยสมมุติเกิดการปะทะกันเกิดการจะวางตัวยังไงวางตัวไม่ถูกก็เลยไม่มีใครออกมา และเป็นฮิกมัตของอัลลอฮ์สุาพาห์อัสซาลาพี่น้องครับจะบอกว่าฮิกมัตนี้ยิ่งใหญ่มากฮิกมัตที่พวกมูนาฟิกีนไม่ออกมาเนี่ยมีฮิกมัตอะไรพวกเราลองทายดูพวกเรา<ม>คิดว่ามีฮิกมัตอะไรที่พวกมูนาฟิกีนไม่ออกมาในแง่งขอ ง, ข อ, งาาอัลลอฮ์สุพาห์อัสซาลาห่ะในแง่งของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยการที่พวกมุนาฟิกีนไม่ออกมาเนี่ยเป็นข้อดีเรามองให้มันเป็นข้อดีอ่ท า, ท, าทั้งๆที่บางทีเราก็มันไส้นะ ทำไมไม่ออกมาบางทีเราก็อาจจะโกรธที่พวกมุนัิกีไม่ออกมาเห็น mm. ไหมถ้าเราจะมองในแง่งลบเนี่ยเรามองได้เลยมุนัิกีพวกนี้ทำไมไม่ออกมาด้วยทำไมไม่เชื่อฟังท่านนาลลเราอาจจะบน่นเราอาจจะอะไรแต่การที่พวกมุนัสกีไม่ออกมาในครั้งนี้กลับเป็นข้อดีแก่บรรดาผู้ศรัทธายังไงเพราะอะไรครับะพวกเราคิดว่าเพราะอะไรสุบฮานลัลลอฮ์นี่คือการวางแผนของอัลล์สุบฮานะอะละอ อราตกำหนดมาอย่างนี้ฮิกมัดของร่างของต า, า, า, า, า, าลยิ่งใหญ่เหนือทุกอย่างเราอาจจะโกรธเราอาจจะไม่มั่นไส้พวกนี้เราอาจจะไม่ชอบพวกนี้แต่มีฮิกมัตนะที่พวกมมนาฟิกินไม่ออกมาเพราะอะไรเพราะท่านนาบีจะได้ใบออกับคนที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหมดไม่มีคนชั่วมาเจือปนและคละเคล้าในการให้สัตยาบันในวันนั้นเลยแม้แต่คนเดียวที่เป็นพวกมนาิก ลองจินตนาการดูถ้าพวกมูนาเฟกออกมาสักคนหนึ่งแล้วปรากฏว่าวันนั้นไปไบอั้วด้วยแล้วพอหลังจากนั้นเวลาผ่านไปมุนาฟิกีนพวกนี้มันมาทําลายไบยอั้นตอนที่ตัวเองทำไบอั้งกับท่านนาบีภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดเป็นยังไงมันออกมาไม่ที่มันออกโดนเยอะๆข้อดีข้อเสียที่มันจะออกมาหลังจากนั้นแต่ด้วยฮิมญาตของอัลลอฮฺสุบบฮิการาอุตะลาพวกมุนาฟิกินไม่มีใครออกมาสักคนเดิ ตอนที่มาใบอัตุริวานทําให้วันที่มีการสัตยาบัญเนี่ยจึงเป็นมุมินทั้งหมดแล้วเราจะได้เรียนอายัดหลังจากนี้มันจะมีพูดถึงเหตุการณ์ว่าคนที่ใบอ่ะ ก, กับท่านนาบีเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการพิสูจน์หัวใจจากอัลลอฮ์สุบฮาวตาละลาทั้งสิ้นอั ah ลลอฮ์ตะลารับประกันว่าทุกคนที่ใบอ่ะ ก, กับท่านนาบีในในใ น, ใ น, ในสุลอุลไดบิยะเนี่ยเป็นคนที่ถูกรับประกันว่าเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดเลย มีอยู่ในโซล่านี้และหลังจากนั้นพอที่จะพ อ, พอท่านนาบี ส, ลลลสลุลต่านําทัพจะไปทําสงครามกับชาวไคบัตท่านนาบีห้ามไม่ให้มูนาฟิกินออกไปด้วยสืบเนื่องมาจากว่าพวกเขาไม่มาในเหตุการณ์ครั้งนี้พอจะไปไคบัคเนี่ยมูนาฟิกินอยากจะไปด้วยเพราะอะไรรู้หรือเปล่าเพราะเห็นผลประโยชน์ตอนที่จะมามักกะเนี่ยไม่เห็นผลประโยชน์ก็เลยไม่มา แต่พอจะไปทําสงครามที่คอยบัตโอทรั์สินเยอะคอยบาศ์นี่อุดมสมบูรณ์มีต้นหญ้าที่พาล้มมีที่ดินเยอะแยะไปหมดพวกโมนาฟิกีนก็เลยอยากจะติดตามท่านนาบีไปด้วยปรากฏว่าท่านนาบีออกคําสั่งว่าคนที่ไม่ได้ไปไบอะตูริโวานหรือไบอะสุลฮูดายเบียห้ามออกไปทําสงครามค่ยบัตส ก, กัดผลประโยชน์ของพวกโมนาฟิกีนตรงนั้นะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ในโซลาร์นี้เดี๋ยวเราจะได้เรนแต่จะบอกว่านี่แหละสุลฮูดายเบีย เพิ่มกำลังใจให้กับบรรดามุสลิมและไปตัดตัดกำลังพวกมูนาฟิกีนไปตัดกำลังพวกมุชริกีนคนพวกนี้เคยคิดชั่วอัลลอนีนะเบลละอิดอนซคิดชั่วกับอัลลอคิดชั่วยังไงก็คิดชั่วตรงที่ว่าอะถ้า น, นาบีสัล ล, ลัลลอฮา น, นาบีออกไปเจอกับพวกมุชริกินและพวกมุชริกินทำสงครามด้วย พวกนี้ก็กลัวไม่คิดว่ามันจะเกิดสงคราม์แล้วพวกบรรดาผู้สัาวทานจะได้รับความพ่ายแพ้เวลาที่ต้องปะทะกับพวกมู้ธุรกิจเป็นการคิดไม่ดีกับอัลลอฮุ س ب าน ن ه ละเป็นการวางแผนชั่วอยู่ลับๆนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอลา ก, ก, ก็เลยบอกว่าอะไฮิมเดออิราตุสซสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้จะได้รับผลตอบแทนที่ เลวร้ายเสียเองเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับใครที่คิดไม่ดีกับอัลลอฮ์ระวังว่าผลของมันเนี่ยจะนำสิ่งไม่ดีกลับเข้าหาตัวเองอันนี้คือคำเตือนจากนักอุชาการหรืออุลามะบางท่านเอาอายัดนี้มาพูดกับเราเราเหมือนกันเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอย่าคิดในทางที่ไม่ดีกับอัลลอฮ์เพราะว่าผลของมันเนี่ยอาจจะย้อนกลับมา ก็ให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเราเองเหมือนกับบรรดาพวกมูนาฟิกีเหล่านี้ والعياذ بالله ม ن ذلك وغضب الله عليهم อ่าไม่เพียงแค่นั้นไม่ใช่แค่การที่ตัดกําลังใจพวกมูนาฟิกีพวกมุชลิกีเท่านั้นแต่อ a l l ลาจะทรงพิโรธคนเหล่านั้นจะทรงลักหนักคนเหล่านั้นจะส่งเตรียมจนันน้ำให้กับคนเหล่านั้นว่าจอัตม์ซีรอและแน่นอนว่า นี่คือบั้นปลายที่เลวร้ายที่สุดและไม่มีอะไรทจะเลวร้ายไปกว่านรกจะันนำของะุบฮานตะอลวลิลเลาหจุนูุลสัมาวะติวลัะานอัลลอฮอซซันฮะีมงครั้งวลิลเลาจุนูุสมาวตในอายักที่สี่ครั้งหนึ่งในอายักที่7ดครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยมันแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไหนอายักที่สี่วะคานัลลอฮอลีมันฮะีมาเพราะอะไร เพราะตรงนั้นเป็นการพูดถึงบรรดามุกมินวลิลลัฮิลังใจมุกมินแต่วลิลลัฮิจุนูดุสสัมวาดในยะที่เจกําลังคู่พวกมนาฟิกีและพวกมุชริกีเพราะฉะนั้นต้องจบด้วยว่การอัลลอฮอซสันฮะคีมะซหมายถึงผู้มีอานาจผู้มีชัยชนะ ผู้เกรียงไกลอันนี้ใช้กับใครไม่ได้ใช้กับโมกมินใช้กับศัตรูอัลลอฮ์ตาลามีชัยชนะเหนือศัตรูอัลลอฮ์ตาลาควบคุมอำนาจทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมาะสมที่จะจบกายด้วยว่าแ น, นั่ลอฮฺอัลลอฮฺกีมัฮักีมันใช้ได้ทั้งสองใช้กับโมกมินก็ใช้ฮักีมักับบรรดาศัตรูที่เป็นมุนาศิกินที่เป็นมุชลิกินก็ฮักีมันส่งฮักี้ ส, ส่งปริชาญ ปร si ิชายานในการให้ชัยชนะกับบรรดามมกมินในการอภัยโทษให้กับบรรดามมกมินในการเอามมกมินเข้าสวรรค์ส่งปริชายานในการตัดกําลังใจศัตรูในการลงโทษศัตรูก็ทรงมีฮทกิ์มาของพระองค์เช่นเดียวกันนะครับมาชะอัลลอฮฺอัลฮัมดุลิลละวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าเหตุการณ์สุลฮุลฮดัยเบียเป็นชัยชนะอย่างไรสาหรับบรรดามุกมินและ ในฝั่งของคนที่เป็นศัตรูกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นอัลลาะอลได้เตรียมอะไรไว้จากเหตุการณ์ในปีที่ท่านนาบีสุลตานุสันลกับบรรดาสหายได้เดินทางเพื่อที่จะเข้าไปทำอุหมะในปีที่หฮิจรัศกาลนะครับวันนี้น่าจะได้ละัลลอฮตอัลลัมัสดัลลอฮอยาุ่มริมาุฮิบวยะรดะุลลอัลลอฮลนบีนมุฮัมมัดนะอัลลอฮฺอัลยฮฺแลิ ص <في ق> سبحان ر ب ك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين